แนะนําบทมุฮัมมัดบทมุฮัมมัดเป็นบทมาดานิยะมี38องค์การซึ่งให้ความสําคัญในการตราบทบัญญัติเช่นเดียวกับบทมาดานิยะอื่นๆสําหรับบท น, นี้ได้กล่าวถึงบทบัญญัติแห่งการสู้รบเฉลยทรัพย์สินเฉลยและสะภาพของมูนาฟิกีนแต่ที่สําคัญที่บทนี้กล่าวถึงก็คือเรื่องการต่อสู้ดิ้นรนในหุ่นทางของอลอ บทได้เริ่มต้นด้วยการเริ่มต้นที่ประหลาดคือประกาศสงครามอย่างเปิดเผยกับศัตรูของอัลลอฮ์และศัตรูของรอซูลซึ่งพวกเขาได้ทำสงครามกับอิสลามโดยปฏิเสธท่านรอซูลยืนหยดัดขัดขวางต่อต้อตานการเผยแพร่ของมฮัมหมัดเพื่อกีดกันมวลชนไม่ให้เข้ารับนับถือาศาสนาอิสลามบทได้ใชบ้บรรดาผู้ศรัทธาสู้รบกับพวกปฏิเสธศา เพื่อกวาดล้างแผ่นดินให้บริสุทธิ์จากความสกปลกของพวกเขาจนกว่าจะไม่มีเส้นหนามและพลังเหลืออยู่สำหรับพวกเขาต่อมาบทนี้ได้ชี้แจงถึงแนวทางแห่งเกียรติยศและชัยชนะและได้วางเงื่อนไขในการช่วยเหลือของอลัลลอฮ์ต่อปวงบ่าวของพูรุง่งที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งนี้โดยการยึดมั่นต่อบทบัญญัติของผูรงและสนับสนุนาศาสนาของผรง บทได้กล่าวถึงรายละเอียดและลักษณะของพวกมุนาฟิตโดยถือว่าพวกเขาเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่ออิสลามและมุสลิมและได้เปิดปวงถึงความชั่วและความน่าละอายของพวกเขาเพื่อเตือนมนุษย์ให้รู้ถึงคนอุบายและความชั่วร้ายของพวกเขาบทได้จบลงด้วยการเรียกร้องเชิญชวนบรรดาผู้ศรัทธาให้เจริญรอยตามแนวทางแห่งความมีเกียรติและชยัยชนะ โดยการต่อสู้ดิ้นรนในทางของอัลลอ์และไม่ได้อ่อนแอต่อพลังความชั่วและความยุติธรรมและเตือนไม้มีการเรียกร้องไปสู่การปาระีประนอมกับเหล่าศัตรูเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งการมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ย่อมสูญสลายและจบสิน้นและสิ่งที่มีอยู่ที่อัลลอฮ์นั้นเป็นความดีสาหรับคนดีทั้งหลายเช่นนี้แหละ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 ด้วยพระนามของ a ล l a h ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกั้นหนทางของ a ล l a h นั้นพระองค์ทรงทำให้การงานของพวกเขาไร้ผล َالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا وَأَصْلَحَبَالَهَمْ بِمَا كَفْفَرَ وأ ส่วนบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายและศรัทธานในสิ่งที่ถูกประทานแก่มูฮัมหมัด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 ทางนี้เพราะว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้ปฏิบัติตามความเท็จแต่บรรดาผู้ศรัทธานั้นได้ปฏิบัติตามสัจธรรมที่มาจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาเช่นนั้นแหละอัลลอฮ์ทรงยกอุทาหรของพวกเขาแก่พวกมนุษย์ด فإما من ا بعد وإما ف ِ داء أن حتى تضاع الحب أو زارها ذلك ولو يشاء الله ل ن تصر منهم ولكن ليبل وبعض ببعض والذين قتلوا في سبيل الله ف ل ن يضلل أعمالهم และเมื่อพวกเจ้าพบบรรดาผู้ปฏิเสธศราก็จงฟันคอเสียจกนกระทั่งเมื่อพวกเจ้าปราพวกเขาจนแพ้แล้ ว, วก็จงจับพวกเขาเป็นเฉลยหลังจากนั้นจะปล่อยเป็นไทยหรือจะเรียกเอาค่าถ่ายก็ได้จกนกระทั่งการทำสงครามได้สิ้นสุดลงด้วยการวางอาวุธเช่นนั้นแหละและหากอาลัลลอฮฺทรงประสงค์แน่นอนพระองค์จะทรงตรอบแทนการลงโทษแก่พวกเขา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 ل ل ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นความพินาศานานะจะได้ประสบแก่พวกเขาและพระองค์จะทรงให้การงานของเขาไร้ยผลทั้งนี้เพราะว่าพวกเขาเกลียดชังสิ่งที่ลอประธานลงมา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 a า l a h ได้ส่งทำลายล้างพวกเขาและสำหรับพวกปฏิเสธศรัทธาก็เช่นเดียวกันท้งนี้เพระาะฮิาล่อนั้นส่งคุ้มครองบรรดาผู้ศรัทธาและแน่นอนพวกปฏิเสธศรัทธานั้นไม่มีผู้คุ้มครองสำหรับพวกเขา ให้เง well ินรถจะส่งให้บรรดาผู้ศรัทธาและการกระทำความดีทั้งหลายเข้าสวนสวรรค์ต่าง ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาจะหลงระเริงและกินเยี่ยงสัตว์และไฟนรกคือที่พำนักของพวกเขา และกี่ตำบลมาแล้วที่มีกำลังเข้มแข็งกว่าตำบลของเจ้าซึ่งมันขับไล่เจ้าออกไปเราได้ทำลายลางพวกเขาดังนั้นสำหรับพวกเขาจึงไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆ <t> ยวดังนั้นผู้ที่อยู่บนหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาจะเหมือนกับผู้ที่ความชั่วแห่งการงานของเขาได้ถูกกระทำให้เพริบเพล้วแก่เขาและพวกเขาก็ปฏิบัติตามอารมณ์ปจตาำของพวกเขากรันหนึ่ง م َ ل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسى وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربي. มมอบ ม, ม, าม า, م م มมาสวนสวรรค์ซึ่งบรรดาผู้ยังเกลงได้ถูกสัญญาไว้ในสวนสวรรค์นั้น มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านไม่ผันแปร ى, ทั้งรสและกลิ่นและแม่น้ำเป็นนมหลายสายที่รสชาติของมันไม่เปลี่ยนแปลงและแม่น้ำจัน์หลายสายเป็นที่โอชาอร่อยแก่ผู้ดื่มและแม่น้ำที่เป็นน้ำผึ้งที่สะอาดบริสุทธิ์หลายสายและสำหรับพวกเข้าในสวนสวรรค์นั้นมีผลไม้หลายชนิด และการอภัยโทษจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาดังอุปมาผู้ที่พำนักอยู่ในไฟนรกและถูกให้ดื่มน้ำร้อนร้อนจัดแล้วมันได้ตัดลำไส้ของพวกเขาขาดการะนั้นหนึ่งมิ ในหมู่พวกเขามีผู้ที่เงี้ยวฟังเจ้าจนกระทั่งเมื่อพวกเขาออกไปจากเจ้าพวกเขาก็จะพูดแก่ผู้ที่มีความรู้ว่า เมื่อกี้เนี่ยมูฮัมหมัดพูดอะไรกันชนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่อล่อทรงประทรับตราหัวใจของพวกเขาและพวกเขาปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ต่ําของพวกเข า, ลล า, า, าส่วนผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องพระองค์จะทรงเพิ่มแนวทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเขา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 แต่ว่าเครื่องหมายต่างๆของมันได้มีมาแล้วดังนั้นเมื่อการตักเตือนของพวกเขาได้มาอย่างพวกเขาแล้วจะเกิดประโยชน์อันใดแก่พวกเขาอีกแล้วดังนั้นพึยงรู้เถิดว่า ไม่มีพระเจ้าอื่ในใดนอกจากอัลลอฮ์และจงขอไพยโทษ ต, ต่อความผิดเพื่อตัวของเจ้าเองและเพื่อบัรดาผู้ศรัทธาชายและบัรดาผู้ศรัทธาหญิงและ AH อัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งถึงพริการของพวกเจ้าและที่อำนักของพวกเจ้าวอยอูลุลลดีนอาเมนูเลวลานุซิลัตสุรา์ فإذا أنزلت سورة م ُ ح ْ ك َ م م ة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليهم من الموت فأولى لهم طاعة وقول معرو และบรรดาผู้ศรัทธากล่าวว่าทำไมอันกุรอานสักบทหนึ่งจึงไม่ถูกประทานลงมาทั้นเมื่อบทหนึ่งที่ชัดเจนถูกประทานลงมาและได้ระบุ ก, การทำสงครามไว้ในนั้นเจ้าจะเห็นบรรดาผู้ที่หัวใจของพวกเขามีโรคจะจ้องมองไปยังเจ้าสเสมือนการมองของผู้เป็นลมใกล้จะตาย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 ถ้าพวกเจ้าจะผินหลังให้การศรัทธาแล้วพวกเจ้าก็จะก่อความเสียหายเลยทันทีและจะตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติของพวกเจ้าการะนั้นนึ้ชนเหล่านี้คือบรรดาที่อัลลอฮ์ทรงสาบแช่งพวกเขา ดังนั้นพระองค์จึงทรงทำให้พวกเขาหูหนวกเป็นใบ้และตาบ อ, อา ด, ด uh พวกเขาไม่ได้พิจรารณาใข้ควนอนรอัลกุรอานดอกหรือว่าบนหวัวใจของพวกเขามีกุญแจหลายดอกลั่นอยู่ ى ي ให้รบรรดาผู้ ห, หลังกลับจากแนวทางที่ถูกต้องเป็นที่ประจัแก่พวกเขาแล้วซาตานมานรร้ายได้ลอลวงพวกเขาได้ให้ความหวังแก่พวกเขาว่าจะมีชีวิตยืนยาว ท่านี้เพราะว่าพวกเขาได้กล่าวแกบ่บรรดาผู้เกลียดชังสิ่งที่ลอส่งประธานลงมาว่าเราจะเชื่อฟังปฏิบัติตามในกิจการบางอยา่างแต่ลอส่งทราบดีถึงความลับของพวกเขา แลสภาพของพวกเขาจะเป็นเช่นไรเมื่อมาลิกาจะมาเอาชีวิตของพวกเขาโดยตีที่ใบหน้าของพวกเขาและที่หลังของพวกเขา ทั้งนี้เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิบัติตามสิ่งที่จะก่อให้เกิดความกิ้วต่ออัลลอฮ์และพวกเขารังเกียจความโปรดปานของพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงทรงให้การงานของพวกเขาไร้ผลบรรดาผู้ดี่ว่าใจของพวกเขามีโรคคิดรู้ว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงนําเอาความอิจฉาลิษยาของพวกเขาออกมา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 และเราทรงรู้ดียิ่งถึงการงานของพวกเจ้าและแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าจนกระทั่งเราได้รู้ถึงบรรดาผู้ต่อสู้ลิ่นรนและอดทนในหมู่พวกเจ้าและเราจะทดสอบการงานของพวกเจ้าด้วย إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا اللَّهِ سَبِيلِ الْرَسُولَ لَهُمُ الْهُدَى تَبَيَّنُ تَبَيَّنَ لَيْ يَضُرُّ بَعْدِ بَعْدِ عَنْ اللَّهَ أَعْمَالَهُمْ وَشَاقُ شَيْئًا مِنْ مَا مِنْ مَا وَسَيُحْبِطُ ถ้าจึงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะปิดกั้นหนทางขอระองและต่อต้านรอูน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 จงเชื่อฟังอัลลอฮ์และหอซูลคนนี้เถอะและอย่าทำให้การงานของพวกเจ้าไร้ผลอินนัลลอฮีนะกฟรุวัดดูอันลลฮทุ่มมัตุทุมมัตุวะฮุมคุฟมลายัลฟิรัลลอฮุลุมแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกั้นหนทางของอัลลอฮ์ พวกเขาตายลงโดยที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่อัลลอฮ์จะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาเลยดังนั้นเจ้าจงอยาาท้อแท้และเรียกร้องไปสู่การสงบศิกเพราะพวกเจ้าเป็นผู้อยู่เหนือกว่าและเราทรงอยู่ร่วมกับพวกเจ้า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 พระองค์ก็จะทรงประธานรางวัลของพวกเจ้าให้แก่พวกเจ้าและพระองค์จะไม่ทรงขอทรัพย์สินของพวกเจ้าหากพระองค์จะทรงขอทรัพย์สินพวกเจ้าและทรงรบเร้วพวกเจ้าให้บริจาคพวกเจ้าก็จะกรณีและพระองค์จะทรงให้ความอึดอัดใจของพวกเจ้าออกมาให้ประจักษ์ أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم فمنكم من يدخل ومن يدخل فإنما يدخل عن نفسه والله ا ل غ ن ي وأنتم الفقراء.